ตามที่ได้เราเรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพษิษโดยพิสดารโดยละเอียดนี้เป็นธรรมข้อที่สามย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งศัต ร, ร, ร, รูอีกประการหนึ่งพิจูดทั้งหลายย่อมไม่ทําการสาทยายธทมตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้เราเรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารนี้เป็นธรรมข้อที่สนีะ่ต้องสาธยายสวดให้คนอื่นเขาสวดตามนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งศัต ร, ร, รูอีกประการหนึ่ง มีประการหนึ่งพิสูจน์ทั้งหลายย่อมไม่ตรึกตรองไม่เพ่งดูด้วยใจซึ่งทําตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้เล่าเรียนมาโดยพิสดาร น, นี้เป็นธรรมข้อที่ห้าย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งศัต ร, รูเรียนแล้วจําได้แล้วอะไรแล้วไม่ตรึกตรองไม่เพ่งดูไม่เอาคําสอนพุทธเจ้ามาพิจนารณาดูบ้างแล้วมันจะปลื้มใจไหมไหมมันจะอิ่มใจไามว่าได้ปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยได้เห็นตัวจริงของธรรมะ ดูความพิสษจน์ทั้งหลายทำห้ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตยธรรมดูกวาพิสูจน์ทั้งหลายทำห้ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตยธรรมทำห้ประการเป็นฉไหนคือพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนทำคือสุตตะเคยยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุจกะชาดกอภูตธรรมเวทัละนี้เป็นธรรมข้อที่1ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตธร คือเรียนพระไตรปิฎกเล่าเรียนพระไตรปิฎกพระสมัยนี้ไม่เอาแล้วหน่นมาหาตุลาลงกรณ์โน่นมาหามากุฑหโน่นเดี๋ยวเราจะไปเรียนต่ออินเตอร์เดียโน่นเราจะไปเรียนอเมริกาอเมริกานูน่นไปเถอะท่านนะท่านกําลังลบเรือนพระศัพทธรรมโดยไม่รู้สึกตัวท่านไปเรียนกลับมาแล้วท่านก็นึกว่าท่านเป็น ผู้มีปัญญาความรู้แล้วว่าบางคนบอกว่าเนี่ยละจะได้มารักษาศ า, ศาสานาโตจะไปรักษายังไงตัวศาสน า, าท่านยังไม่รู้จักอีกประการหนึ่งทิสุทั้งหลายย่อมแสดงธรรมตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้เล่าเรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดานี้เป็นธรรมข้อที่สองย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ลบเลือนเสือเส่อมสูญแห่งศัพ์ธรรมแม้แต่เดี๋ยวนี้คนที่จะเรียนก็หายากเหลือเกินจะไปสอนอยังไงเขาไม่เรียนกันแล้ว แต่ถ้าจะเรียนถ้าเขาจะมาเรียนเราก็จะต้องสอนให้พิสดารอีกประการหนึ่ง พ, พิกษุน์ทั้งหลายย่อบอกทำตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้เราเรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารนี้เป็นธรรมข้อที่สย่อบริไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งศรัทธมแสดงในอย่างหนึ่งบอกในอย่างหนึ่งนะอีกประการหนึ่งพิสูจน์ทั้งหลายย่อมทําการสาธยาธิธรรมตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้เล่าเรียนมาแกผ่ผู้อื่นโดยพิสดาร นี้เป็นธรรมข้อที่สย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมัน่นไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตยธรรมอิปการหนึ่งภิกษุทั้งหลายย่อมตึกตรองเพ่งดูด้วยใจตามธรรมที่ได้ฟังมาตามที่ได้เราเรียนมาโดยพิศดาร น, นี้เป็นธรรมข้อที่หเป็นไปเพื่อความตั้งมัน่นไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตยธรรมดูกรภิกษุทั้งหลายทํา้าประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตยธรรมแล้วก็เป็นอนันว่าภิกษุเนี่ยความจริงก็ควรจะรวมถึง คนอื่นด้วยอุบาสกบาศิกาด้วยถ้าจะให้สัต์ธรรมตั้งมั่นเนี่ยก็จะต้องมาเล่าเรียนพระไตรปิดกแล้วก็มีการบอกทำแสดงทำโดยสาธยายทำโดยพิสดารแล้วก็เพ่งจิตตึกตองโดยใจอยู่อยู่ตลอดชีวิตเนี่ยถึงจะทำให้พระสัธรรมเจริญทีนี้ก็มีตัวอย่างะนะตัวอย่างตัวอย่างเรื่องเรียนโดยเขาลบไม่เคาลบเนี่ย ตามคาถาที่ได้กล่าวไว้ในขั้นต้นในธรรมบทขุทกานิกายเรื่องฉัตตะปานิอุบาสกนะกล่าวความไว้ว่าพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีได้ตัดปลาลบถึงอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าฉัตตะปานินะมีเรื่องพิสานว่าในกรุงสาวัตถีมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อฉัตตะปาณิเป็นผู้ทรงพระใยปิดกเป็นอนาคามี จำพระใจบิดดได้หมดและยังเป็นพรานาคามีอีกถ้าไม่เป็นพระนาคาบีก็คงออกบวชแล้วละแต่นี้เป็นพระนาคาบีก็อยู่บ้านได้แต่ว่าก็อยู่บ้านแบบไม่ไม่ใช่คนบ้านนักคือไม่ต้องไปดูซีเกมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปก็อยู่บ้านโดยการศึกษาพระใจบิดดวปฏิบัติธรรมไม่มีบุตรไม่มีไม่มีภรรยาไม่ต้องไปห่วงใยในทรัพย์สมบัติไม่ต้องหาเงิน หาเงินหาทองอะไรไม่ต้องอเพราะว่าท่านมีทรัพย์อันประเสริฐที่จะให้ความสุขได้อยู่แล้วคือศรัท ธ, ธาสินสุตตะฮีริโอตต ป, ปะจาคะสติปัญญานี่มีอยู่ในใจและอีกอย่างก็คือกา ม, มาตัณหามันหมดมึงก็ไม่ต้องไปหาทําไมที่เราหาก็อยู่เที่เพราะว่ า, ว า, ากามตัณหามันสั่งนะสั่งมารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นน่าดีๆไปหามากนะ รูปที้มันน่ารักน่ายินดีไปหามาเถอะหามาไหว้มากๆเราจะได้มีความสุขเนี่ยนี้การตัญหาท่านหมดแล้วก็ไม่ต้องไปหาแล้วไม่ไปหาเงินหาความสุขของการตัญหาเนี่ยไม่ต้องอุบาสกนั้นเป็นผู้รักษาอุโบสถแต่เช้าตรู่ศีลแปดในท่านบริบูรณ์นะเป็นอนาคามีแต่ท่านก็ยังรักษาอุโบสถ ดูสิอุบสตมีกี่วันนะมีหลายวันนะห้าค่ำก็อักษาได้แปดค่ำก็ได้สิบสี่ค่ำสิบห้าคำนี่ธรรมดาถ้าพิเศษขึ้นไปหน่อยเรียกว่าทาคระอุบสติอุบสตของผู้ตื่นอยู่ก็เพิ่มเป็นสิบเอ็ดวันสี่ค่ำหกค่ำเจ็ดค่ำเก้าค่ำนะสิบสามค่ำหนึ่งคำเอาเพิ่มกันไปอีกเพราะนั้นผู้เป็นนาคามีบุคคลเนี่ยก็ เขาไม่หาความสุขอย่างอื่นเขาก็รักษาอุโบสถฟังธรรมจเจริญกรรมฐานเข้าไปเพราะนั้นรักษาอุโบสถแต่เช้าตู่แล้วก็ได้ไปยังที่บำรุงของพระสาษษสดาทิ้งอยู่ชื่อว่าอุโบสถกรรมหามีแก่อริยะสาวกผู้เป็นอนาคามีทั้งหลายด้วยสามารถแห่งการสมาทานไม่คือไม่ต้องสมาทานนะ พรหมจรรย์และการบริโภคอาหารครั้งเดียวของอริยะสาวกผู้เป็นอนาคามีเหล่านั้นมาแล้วโดยมักนั่นแหละคือไม่ว่าพบอะไรนาคามียมักเกิดขึ้นนะการประพฤติพรหมจรรย์ก็เกิดขึ้นเลยคือไม่เอาแล้วเลิกแล้วการมาลาครไม่มีเพราะฉะนั้นพรห ม, มจรรย์จึงมีเลยคือว่าอะธรรมมัจริยาเนี่ยมีเลยศีลข้นอ น, นี้มีเลยนะแล้วว่าการบริโภคอาหารครั้งเดียวครั้งนี้หมายความว่า เช้ายันเที่ยงนี่เรียกว่าครั้งหนึ่งนะท่านกินแค่นั้นอนะ่ะท่านฉันอาหารแค่นั้นอนะ่ะตั้งแต่เที่ยงไปยันสว่างเนี่ยนี่ก็เรียกว่าการการเวลาแห่ง ก, การกินอาหารอีกครั้งหนึ่งแต่นี่มันของคนที่ไม่ใช่อนาคามีคนที่ไม่ใช่อนาคามีก็กลัวอดใช่ไหมกลัวหิวกลัวอะไรก็แล้วแต่ละกินกันใหญ่เลยเนะชา้ากลางวันเย็นกลางคืนเรียกว่ารอบ <c oughs> กินได้โดยรอบน แต่ว่าพระน า, าคามีแล้วพอเป็นพระนาคาเมีแล้วปปลสีแผกบริสุทธิ์ก็เลยไม่กินอาหารเย็นไม่เอาแล้วเลิกหยุดจริงๆแล้วอาหารตอนเย็นมันเพื่อเพื่อความอยากนะไม่ไใช่เพื่อร่างกายร่างเกยอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงได้บอกว่าพรมจันทร์และการบริโภคอาหารครั้งเดียวมาโดยมักแม้ก็มาพร้อมกับมักเมื่อนาคาเมียมักเกิดเกิดขึ้นแล้วก็มาด้วยเลย ศีลแปดมาด้วยแล้วพราอเป็นอนาคามีผลเป็นพระอนาคามีจริงๆแล้วเนี่ยก็มีศีลแปดปริบูรณ์เพราะเหตุนั้นแลพระมีพาะเจ้าจึงตัดว่ามหาบพิษมหาพิษนี่หมายความ่าพระราชาองค์หนึ่งนะองค์หนึ่งไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่องค์ในปัจจุบันอ๋อมหาพิษหมายถึ ง, รรถงรรพระเจ้าพิมพิสารนะถูกใจหมายถึงพระเจ้าพิมพิสารอ๋อพระเจ้าพระเสีรที่โกลสั นายช่างหม้อชื่อคติการะแระคติการันนายช่างหม้อคนนี้เป็นอนาคามีแต่อยู่ในสมัยผู้นิจเจ้ากัดสปะองค์กรองค์กรปัจจุองค์ปัจจุบัตนายช่างหม้อชื่อคติการะแระเป็นผู้บริโภคอาหารครั้งเดียวมีปกติประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมคือพอเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยก็ไม่กินแล้วอาหารครั้งที่สองเวลาที่2ตั้งแต่เที่ยงแล้วไปเนี่ยไม่กินแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์เลยคือถ้ามีภรรยาก็ต้องเลิกกันหรือถ้าเผื่อมีสามีก็ต้องเลิก อยู่เป็นที่เป็นน้องได้แต่ว่าอยู่เป็นภรรยาสามีไม่ได้เพราะมันไม่มีเหตุที่จะไปเป็นคือการมารคะไม่มีแล้วก็มีศีลเลยมีศีลบริสุทธิ์เลยแล้วก็มีกายานุธรรมคือมีศรัทธามีหิริอดตะปะมีสติมีปัญญามีจาคะมีเลยมีโดยบริบูรณ์อยู่เรียกว่ากายานธรรมธรรมที่ดีเนี่ยนะโดยปกติทีเดียว ท่านอาาคามีทั้งหลายเป็นผู้บริโภคอาหารครั้งเดียวและมีปกติประพฤติพรหมจรรย์อย่างนั้นอุบาสกแม้นั้นก็เป็นผู้รักษาอุโบสถอย่างนั้นเหมือนกันข้าไปเฝ้าพระศาสดาถาวายบังคมแล้วนั่งฟังธรรมปคถาไปฟังธรรมในสมัยนั้นพระเจ้าประเสณที่โกศลได้เสด็จมาสู่ที่บํารุงของพระศาสดาเช่นกันอุบาสกเห็นพระองค์เสด็จมาจึงคิดว่าเราควรลุกขึ้นหรือไม่หนอ ควรจะลุกขึ้นตอนรับไหมการลุกขึ้นเป็นกิริยาให้ให้ความเคารพแก่ผู้มาควรจะลุกขึ้นตอนรับพระราชาไหมดังนี้แล้วก็ไม่ลุกขึ้นด้วยคิดว่าไปพิจารณาด้วยปัญญาว่าเรานั่งในสำนักของพระราชาผู้เลิศคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นราชาที่สูงสุดราชาเหนือราชาเพราะว่าพระราชาก็ต้องมีทศพิธราชธรรมมีทานมี ศีลมีอุโบสถเป็นกานพระราชาทั้งหลาย ท, ที่จะเป็นพระราชาเขาจะทําให้คนเขามีความสุขมีความยินดีปกครองเขาด้วยธรรมเลยเขาต้องมีทฤษิีราฐธรรมแต่พระราชาทั้งหลายไม่เสมอด้วยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมราชาอันเลิศสูงสุดคุณธรรมใดๆอที่พระองค์ไม่มีที่พระองค์จะทรงไม่มีนั้น ก็พระราชาองค์อื่นนั้นไม่สามารถมีคุณธรรมนั้ น, น, นเสมอพระ อ, องค์คือคุณธรรมของผู้เติรเจ้าจะว่าโดยศรรีลโดยสมาธิปัญญานะสูงสุดไม่มีพระราชาองค์ไหนจะเสมอได้ดันั้นเขาจึงคิดว่าเรานั่งในสำนักของพระราชาผู้เลิศการที่เรานั้นเห็นเจ้าประเทศราดแล้วลุกขึ้นต้อนรับไม่ควรคือนั่งอยู่ในพระราชาผู้ใหญ่แล้วไปเห็นพระราชารองเป็นเจ้าของประเทศเล็กๆ เ, เนี่ยเข้ามาแล้วจะไปลุกขึ้นทำไมสมควร ก็แลเมื่อเราไม่ลุกขึ้นพระราชาจะกกริ้วเมื่อพระราชานั้นแม้กริ้วอยู่เราก็จะไม่ลุกขึ้นต้อนรับละ่ะด้วยเหตุว่าเราเห็นพระราชาแล้วลุกขึ้นก็ชื่อว่าเป็นอันทําความเคารพพระราชา <c oughs> แต่ไม่ทําความเคารพพระศ า, าสดา <c oughs> เราจะไม่ ล, ล, ไลุกขึ้นละพระราชาจะโกรธก็โกรธไปถ้าเราลุกขึ้นเนไปเคารพพระราชาพระเจ้าประเสริฐกี่ควรสน <c oughs> ชื่อว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ นี่เห็นไหมคุณโยมจะเห็นได้ไม่แล้วว่าผู้ที่จะเคารพพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงเนี่ยต้องต้องเป็นอริยะบุคคลนะมีความเคารพยังเกรงพระพุทธเจ้าสูงสุดพระธรรมพระสงฆ์ก็เช่นกันก็จะเคารพสูงสุดหรือว่าในศีกฐาในสมาธิในปฏิสัมภานในความน่ะก็จะเคารพสูงสุดเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมชาติเลยว่าคุณพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีไม่มีผู้ใดเทียบแล้ว เอาแล้วพระราชาจะโกรธก็โกรธจะฆ่ า, าเราก็ยอมไม่ว่าอะไรแต่เราไม่ลุกขึ้นแน่แต่ถ้าเราเป็นปูดปูดชนเนี่ยเดี๋ยวพระราชาจะทำร้ายเราทําร้ายญาติเราไม่เอาเราต้องรีบลุกขึ้นนี่มันเป็นความรักตัวของเราเองแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่เราก็อาจจะลุกขึ้นยืนก็ได้แต่ว่าท่านชัตตะปาณิอุบาสกไม่เป็นอย่างนั้นก็ธรรมดาบรุษผู้เป็นบัณฑิต เห็นคนที่นั่งในที่อยู่ของท่านที่ควรเคารพกว่าตนไม่ลุกขึ้นต้อนรับย่อมไม่โกรธนะคือคนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาก็รู้ว่าอ้าวก็คนก็พระพุทธเจ้าสูงกว่าเราใครก็ไม่ต้อนรับเราก็ไม่ต้องโกรธหรอกแต่ถ้าราชาเห็นอุบาสกนั้นไม่ลุกขึ้นต้อนรับก็มีพ้ามานัด ข, ขุ่นเคือนโกรธเพราะเมาในอำนาจของตัวนะทำไมเห็นเราไม่มีความหมายหรืออย่างไรงนะไม่ต้อนรับเรา ถาวายบางคมพระศ า, าสดาและพระทับนั่งหน้าที่สมควรข้างหนึ่งคือโกรธแต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ไปว่าก็กราบพูดเจ้ า, จาแล้วนั่ง <S <S พระศาสดาทรงทราบความที่พระราชากลิ้วก็รู้ว่าโกรธจึงพัลนาความดีของอุบาสกว่ามหาบพิษฉัตะตปานิอุบาสกนี้เป็นบัณดิตมีธรรมเห็นแล้วคือที่เรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะมีปัญญามีปัญญาเห็นอะไรเห็นอริยสัจ ทำรรมาคืออริยสัจนั่นแหละต้องเป็นสภาวะจริงได้เห็นแล้วไม่ใช่แบบไม่เห็นนะหรือกําลังพยายามจะเห็นไม่ใช่ได้เห็นไปแล้วไ ด, ได้ได้เป็นบัณฑิตคําว่าบัณฑิตนี่มีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือยึดถือเอาประโยชน์ได้ประโยชน์ในชาตินี้ในชาติหน้าหรือประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานเนี่ยยึดได้ยึดถือเอาไว้ได้ประโยชน์ชาตินี้ใครสา ม, มารถ สร้างตัวเองให้มีทรัพสมบัติลาภยศสรรเสริญบำรุงเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขก็ถือว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันถือว่าเป็นบัณฑิตเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ยิ่งใหญ่บัณฑิตที่แท้จะต้องยึดเอาประโยชน์โลกนี้และโลกห น, น้าได้เพราะโลกนี้คุณจริง้งคุณอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คุณเป็นไม่นานเดี๋ยวคุณต้องไปเป็นนายกในนรกนะเป็นรัฐมนตรีในเปรตวิสัยนะี่ไม่ดีนะชาติหน้าคุณ ยังไม่สามารถยึดประโยชน์ได้คุณยังเป็นบัณฑิตไม่แท้จริงต้องยึดประโยชน์ชาติหน้าไว้ได้นั่นก็คือสามารถยึดศรัทธาศีลสุตตะจาคะคปัญญาไว้ได้ในชีวิตของเรามีอยู่ในชีวิตและเราจะได้ประโยชน์ชาติหน้าคือไปเกิดในสวรรค์เป็นต้นส่วนประโยชน์สูงสุดอันนี้เระบัณฑิตแท้ของสามารถจะเข้าไปเห็นได้ประโยชน์สูงสุดคือการเห็นพระนิพพานการทําให้แจ้งพระนิพพานการฆ่ากิเลสเพราะกิเลสมันปิดตั้งไม่เห็น แต่พอเราอบรมศีนสมาธิปัญญาดีค่ากีเลสได้ก็ได้เห็นผลิภานทรงพระใจมีดกฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ะทรงพระใจมีดกเนี่ยรู้คําสอนพระเจ้าหมดจําไว้ได้แล้วก็รู้ด้วยว่าอะไรเป็นประโยชน์คืออะไรเป็นกุศลรู้ว่าอะไรไม่ใช่ประโยชน์คืออะไรเป็นอกุศลรู้จริงๆนะไม่ใช่รู้โดยจําได้อย่างเดียวเห็นชัดเจนด้วย เมื่อพระราชาทรงสรดับคุณคาถาของอุบาสกอยู่นั่นแหละพระไทยก็อ่อนก็เลยเกิดเรื่องสายเมตตามเอาละหายโกรธคือโกรธนี่มันใจมันแข็งมันกระด้างมันหยาบลักษณะโกรธมันจะเป็นอย่างนั้นแต่พอเมตตาเขามีความดีอย่างนี้เหรอโอ้ก็เลยเห็นแต่ความดีเขาใช่ไหมก็เลยหายโกรธคือตอนโกรธอะเห็นแต่ความไม่ดีว่าทําไมไม่ลุกขึ้นยืนรับนี่เห็นว่าเขาไม่เคารพตัว ก็เลยกลรธแต่พอรู้ว่าเขามีความดีอย่างนั้นก็เลยใจยอ่อนไปเนี่มานะของคนนะมานะไม่มีใครมีอํานาจเท่าเราเนี่ยอัติมานะะ์มีความถือตัวยิ่งเลยเหนือคนอื่นเนี่ยพระราชานักจะเป็นหรือไม่ไ ม, ไม่พระราชาเราก็เป็นได้เพื่เราเกิดไปได้อะไรขึ้นมาแล้วเราเห็นว่าอนะันนั้นมันสําคัญอะไปได้ตําแหน่งมาหรือไปได้อะไรมาอย่างเงี้ย ที่มันเป็นึกมาเป็นของสำคัญของโลกเขาเราอาจจะอืมไอ้ใครที่จะดีกว่าเราไม่มีอะเรามันดีกว่าเขาหมดอนะอย่างเงี้ยก็มีแต่พระราชานี่เขาถือว่าเขาเป็นจอมมนุษย์จอมคนก็ก็มาน้ำความแรงหน่อยภนะายหลังวันหนึ่งพระราชาประทับยืนบนปราสาทชั้นบนต่อมานะท่าพระเนตรเห็นชัดตะปานิอุบาสกผู้ทาพัฒกิจเสร็จแล้ว กินอาหารเสร็จแล้วกัน้นร่มสวมรองเท้าเดินไปทางพระลานหลวงจึงรับสั่งให้ราดบลุดไปเรียกมาอุบาสกนั้นเมื่อทราบว่าพระราชาเรียกก็หุบหุบร่มถอดรองเท้าออกแล้วเข้าไปเฝ้าพระราชาถาวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ควรข้างหนึ่งลำดำับนั้นพระราชาตัดกับอุบาสกว่าอุบาสกผู้เจริญทำไมท่านจึงหบจึงหุบร่มและถอดรองเท้าออกเสียเล่า บาสกกล่าวว่าข้าพระองค์ได้ฟังว่าพระราชารับสั่งให้หาจึงมาแล้วนะเขก็ต่อไป็ามจริงว่าพระราชาให้หาก็เพื่อจะต้องหูบร่อมต่อรองเท้าพระราชายัางจําไว้ได้นะยังจําเรื่องนั้นไว้ได้ว่าไม่ลุกตอนรับก็เลยบอกว่าความที่เราเป็นพระราชาชะรอยท่านเพิ่งรู้ในวันนี้ก็มังอ๋อเพิ่งรู้เหรอว่าเราเป็นพระราชาวันอื่นไม่รู้นะไม่ลุกขึ้นตอนรับเนี่ยวันนี้เพิ่งมารู้เหรออุบาสก บอกว่าข้าพระองค์ทราบความที่พระองค์เป็นพระราชาอยู่ทุกเวลาในการทุกเมื่ออุบาสกก็ไม่พูดโกหกนะทราบอยู่ทุกเมื่อใครจะไม่รู้เล่านะพระราชาจึงบอกเมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมในวันก่อนท่านนั่งในสํานักของพระศาสดาเห็นเราแล้วจึงไม่ลุกขึ้นต้อนรับอุบาสกบอกว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์นั่งในสํานักของพระราชาผู้เลิศท้าคิดยังไงเขาตอบอย่างนั้นเลยนะ พระองค์นั่งในสานักของพระราชาผู้เริดเมื่อเห็นพระราชาประเทศลาดแล้วลุกขึ้นต้อนรับพึงเป็นผู้ไม่เคารพในพระาศาสดาเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ลุกขึ้นต้อนรับอันนี้เป็นเหตุผลของเขาโดยตรงเลยพระราชาจึงบอกว่าช่างเถอะผู้เจริญข้อนี้งดไปก่อนนะเอาละ เ, ล, ะเลือไม่เป็นไรเขาเลื่องลือกันว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ซึ่งเป็นไปในปัจจุบันและในสัมปรายพบ คือปัจจุบันชาติและก็ในภพข้างหน้ารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ในปัจจุบันชาตินะในภพต่อๆไปไม่ใช่ภพเดียวนะั้ะหลายภพทรงพระตรีดกจงบอกธรรมแก่เราทั้งหลายในภายในวังเถิดก็เอาละขอให้มาสอนธรรมะบ้างบาสุกบอกว่าข้าแต่สมุดเทพข้าพระองค์ไม่สามารถไม่สามารถมาแสดงได้เพราะเหตุไรเพราะว่าขึ้นชื่อว่าพระราชมนมเทียนแล้วย่อมเป็นสถานที่ที่มีโทษมาก หา ค, คิดอย่าไปคิดนะว่าในพระราชาวังจะมีประโยชน์ยิ่งใหญ่มากไม่ใช่แล้วมีโทษมากนะถ้าแต่ส ม, มุติเทพในพระราชมนเทียนนี้กรรมที่บุคคลประกอบชั่วและดีย่อมเป็นกรรมหนักคือมาทำอะไรในพระราชาวังแล้วมาทำไม่ดีก็หนักนะถึงดีก็เหมือนกันนะั่นแหละเพราะฉะนั้นไ ม, ไม่ไม่มานะจะไม่สอนแหละ พระราชาก็บอกว่าท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นอย่าทําความรังเกยียจว่าวันก่อนเห็นเราแล้วไม่ลุกขึ้นตอนรับก็บอกว่าอย่าไปจําเรื่องนั้นเลยนะอย่าไปจําที่เราพูดถึงว่าทําไมไม่ต้อนรับนะอุบาสกตอบว่าข้าแต่สมุทเทพขึ้นชื่อว่าสถานเป็นที่เที่ยวของเหล่าคลุหัดเป็นสถานที่มีโทษขอพระองค์จงรับสั่งให้นิมนต์บรนประชิตรูปหนึ่งมาแล้วจงให้บอกทำเถอนะก็อบอกว่าเนี่ย สถานที่ ท, ท, ที่เป็นที่เที่ยวไปยืนเดินนั่งนอนไปของพวกคลองเรือนเนี่ยคารื้อฮัทเนี่ยมันมีโทษเพราะฉะนั้นขอให้พระมาสอนดีกว่าเขาปฏิเสธนะพระราชาทง่งทรงส่งฉัตตัปานิอุบาศกนั้นไปด้วยพระกระแสว่าดีละผู้เจริญขอท่านจงไปเถะิะดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอกับพระศาสดาว่าพระเจ้าข้า พรานางบาลิกาเทวีและทานางวาสภะขัติยาพูดอยู่ว่าจากเรียนทรรมเป็นพระมเหสีแล้วยั ง, ยงจะเรียนทรบ ม, มากเลยขอพระองค์กับขอพระองค์งคกับภิกษุห้าร้อยรูปจงเสด็จไปสู่เรือนของพระขอข้าพระองค์เนืองนิทรงแสดงธรรมแก่เธอทั้งสองเถิดขอพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรม พระศาสดาตัดว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไปในที่แห่งเดียวเนื่องนิดไม่มีมหาะพิษต้องโปรดไปทั่วๆจะไปที่เดียวประจํามันไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าเจ้าเป็นผู้มีปังหาขณาดที่คุณแผ่ไปทั่วภัยารพระราชาบอกว่าถ้าอย่างนั้นจง ข, ขอจงประทานทิกษุรูปอื่นพระเจ้าค่าพระาศาสดาได้ทรงมอบให้เป็นภาระแก่พระอานนทเถระพระอนนท์ต้องข้ามไปสอนละเพราะว่าพระราชามานิมนต์ พระเถระไปแสดงพระบาลีแก่พระนางเหล่านั้นเรืองนิดแสดงพระไตรปิฎกนะคโยมอาจจะทางพระสูตรพระิธรรมแสดงไปสอนนั่นแหละในพระนางทั้งสองนั้นพระนางมาลิกาเทวีได้เรียนได้ท่องและให้พระเถระรับรองพระบาลีโดยเคารพเรียนก็เรียนเคารพท่องก็ท่องโดยเคารพ แล้วก็หมายความว่าให้พระเทระตรวจสอบโดยเคารพพนางบาลิกานะส่วนพนางวาสภขัติยาไม่เรียนไม่ท่องโดยเคารพทีเดียวเรื่องก็คนละแบบนะก็ไม่เรียนด้วยไม่ท่องโดยเคารพเรียนก็เรียนกันนะมันไม่เรียนโดยเคารพท่องก็ไม่โดยโดยไม่เคารพนะแล้วก็ไม่อาจให้พระเถระรับรองพระบาลีโดยเคารพได้ไม่รู้ไม่รู้ความหมายว่ายังไงนะไม่อาจให้พระเทระรับรองพระบาลีนรอกคืออคือไม่ว่าว่าคงจะท่องไปแล้วก็พระเทระก็คง คงรู้ว่าเนี่ยท่องไปแล้วก็ผิดไม่ถูกจําไม่ได้ติดต่อเรื่องคงจะเป็นอย่างนั้นมั้งหรืออาจจะว่าสอบตกกันนะคู่กันของเราก็คือสอบตกคือเรียนไปแล้วไม่ไปท่องจํามันไม่มันจําไม่ได้หรอกคุณโยมคาถาบทหนึ่งเนี่ยคุณโยมลองลองลอ ง, ลองท่องให้ได้สิท่องให้ได้แล้วลองไม่ท่องต่อมันก็ลืมไม่ท่องกันบ่อยๆ ภายหลังวันหนึ่งพระศาสดาตัดถามพระเถระว่าอาโน์อุบาสิกาทั้งสองยังเรียนธรรมอยู่หรือพระ่านน์ตอบว่ายังเรียนธรรมอยู่พระเจ้าข้าศาสดาตัดถามว่าอุบาสิกาคนไหนเรียนโดยเคารพรนนรท่านน์กล่าบทูลว่าพระนางมาริกาเทวีเรียนโดยเคารพท่องโดยเคารพอาจให้ข้าพระองค์รับรองพระบาลีโดยเคารพพระเจ้าข้า ส่วนทิดาซึ่งเป็นพระญาติของพระองค์คือพระนางวาสภคัติยาเนี่ยเป็นญาติของพระพุทธเจ้านะเป็นธิดาของท้าวมหานามนะซึ่งเป็นน้องเป็นอนุชาของพระศาสดาก็ถ้านับตามลำดับชั้นกเนน็เป็นภาคีนเป็นน้องนะเป็นลูกพี่น้องของพระศาสดาส่วนธิดาซึ่งเป็นพระญาติของพระองค์ไม่เรียนโดยคารพไม่ท่องโดยคารพไม่อาจให้ข้าพระองค์รับรองพระบาลีโดยคารพได้เลยทีเดียว ภาษาสดาทรงสดับถ้อยคําของพระเถระแล้วจัดว่าอานุนธรรมดาทำที่เราผู้ตถาคตกล่าวแล้วย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ฟังไม่เรียนไม่ท่องไม่แสดงโดยเคารพคือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปแล้วเนี่ยจะไม่มีผลเลยแก่ผู้ไม่ฟังหรือฟังแล้วก็ไม่เล่าเรียนคือไม่ไปท่องต่องไม่เรียน ไม่ท่องไม่แสดงโดยเคารพดุดว่าดอกไม้สมบูรณ์ด้วยสีแต่ไม่มีกลิ่นหอมฉะนั้นคือดอกไม้เนี่ยสีสวยแต่ว่ากลิ่นหอมไม่มีแต่ทรรมที่เราตถาคตกล่าวแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมากแก่ผู้ทากิจทั้งหลายมีการฟังโดยเคารพเป็นต้นคือ ปันก็โดยเคารพเรียนก็เคารพท่องก็เคารพแสดงก็เคารพนะดังนี้แล้วได้ตัดสองคาถาหลังนี้ว่ายะถาปิรุจิรังปุปผังวันนาวันตังอาคันทกังเอวังสุภาสิจาวาจาอภาลาโหติอกุปะโตยะถาปิรุจิรังปุปผังวันนาวันตังสคันทกังเอวังสุภาสิจาวาจาสพลาโหติสุกุปะโต แป่เป็นความภาษาไทยนะเรื่องนี้คือพระพุทธเจ้ากล่าวเป็นร้อยแก้วก่อนแล้วก็กล่าวเป็นคาถาสอนอีกทีเลยสอนให้แก่พุทธบริษัทที่ประชุมตอนแรกก็กล่าวปรารบซะก่อนว่ า, าคนที่ฟังธทมโดยไม่เคารพเป็นต้นนะจะไม่มีผลนี้จะกล่าวคาถาเพื่อให้เขาได้ได้ฟังแล้วเกิดการปฏิบัติธรรมได้เลย แต่ความว่าดอกไม้งามมีสีแต่ไม่มีกลิ่นหอมฉันใดวาจาสุภาษิตวาจาที่ดีประเสริฐทุกอย่างก็ฉันนั้นย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทําอยู่วาจาจะดียังไงวาจานั้นก็ไม่สามารถจะให้ผลอะไรแก่ใครได้ต่อเมื่อมีผู้ทําเท่านั้นทําตามวาจานั้นเท่านั้นส่วนดอกไม้งาม มีสีพร้อมด้วยกลิ่นหอมแม่ชันใดวาจาสุภาษิตก็ฉันนั้นย่อมมีผลแก่ผู้ทำดีอยู่น่าจะว่าแก่ผู้ทำตามอยู่นะแต่ก็แปลผู้ทำดีไม่รู้แปลอย่างนี้ยังไงวาจาจะสุภาษิตจะจะจ ะ, จะมีผลก็แก่ผู้ทำตามอยู่ในบรรดาคำเหล่านี้เขาอธิบายว่าคำว่าดอกไม้งาก็คือสมบูรณ์ด้วยสีและสวดตรง แต่ว่าไม่มีกลิ่นเช่นดอกหงอนไก่ดอกกัญ น, นิกาเขาดอกชัยพึกเป็นต้นพระพุทธพจน์นั้นชื่อว่าสุภาษิตาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตคือคำที่กล่าวไว้ดีแล้วอันดีก็คือว่าดีในเบื้องต้นในท่ากลางในที่สุดเป็นจริงและเป็นประโยชน์ พระพุทธพจน์คือปีดกทั้งสามเรียกว่าตายปีดกชื่อว่าวาจาสุภาษิตพระพุทธพจน์นั้นเปรียบสเสมือนดอกไม้ที่สมบูรณ์ด้วยสีและสวดสกคือคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยเหมือนดอกไม้ที่สวยรูปร่างดีแต่ไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นหอมนะเช่นดอกงอนไก่ดอกกัญญาเหมือนอย่างว่าดอกไม้ไม่มีกลิ่นหอม กลิ่นหอมย่อมไม่แพ่คือไม่ฟุ้งไปในสรีระของผู้ทัดทรงดอกไม้อันไม่มีกลิ่นนั้นฉันใดคือเราดอกหวอนไก่เนะ้าตกแต่งร่างกายเราเนี่ยมันก็ไม่มีกลิ่นฟุ้งออกไปจากร่างกายฉันใดก็ดีแม้พระพุทธพจน์นี้ก็ฉันนั้นย่อมไม่นํากลิ่นคือการฟังกลิ่นคือการจํากลิ่นคือการปฏิบัติมาให้ ชื่อว่าเรียกว่าย่อมไม่มีผลแก่ผู้ซึ่งไม่ตั้งใจประพฤติประพุทธพจน์นั้นโดยเอื้อเฟื้อด้วยกิจทั้งหลายมีการฟังเป็นต้นก็คือหมายความว่ากลิ่นไม่มีนั่นเองกลิ่นของกลิ่นคือการฟังโดยเคารพไม่มีแก่ผู้ที่ไปไปฟังคือฟังไม่เคารพเนี่ยมันทื่อว่าดอกไม้แล้วไม่มีกลิ่น พุทธพจน์จะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นออกมาเราฟังแล้วก็ไม่เคารพจําก็ไม่เคารพเรียนก็ไม่เคารพแสดงก็ไม่เคารพอย่างเพราะว่าไม่เอื้อเฟื้อไม่ยกย่องไม่ทําให้หนักชื่อว่าผู้ไม่ทํากิจที่ควรทําในพระพุทธพจน์นั้นอย่างนี้เรียกว่าทําสิ่งที่ไม่สมควรในขับสอนพุทธเจ้าพอได้ยินคําสอนพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่เงีวหูฟังไม่เรียนไม่ท่องไม่แสดงไม่จําเนี่ยชื่อว่าเหมือนดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นมีแต่สีเพราะอามาประดับก็ประดับได้แต่ว่ามันไม่มีกลิ่นออกมาเพราะว่าพทุพทธพจน์นั้นดีดีเราจําไม่ได้เราเราได้ยินเนี่ยได้ยินเหมือนว่าดอกไม้นั้นมามาสู่ตัวเราคือพทุพทธพจน์เนี่ยเมื่อมีใครแสดงแล้วเราไปได้ยินข้าวก็เหมือนกับว่าของดีมาสู่ตัวเราแต่เราก็ไม่ฟังซะ เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจได้ตรัสว่าวาจาสุภาษิตก้อนฉันนั้นย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทําอยู่วาจาจะดียังไงจากคนไม่ไปทำํำจะเหมือนดอกไม้จะสวยยังไงก็ไม่มีกลิ่นส่วนคําที่เรียกว่าดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมก็คือดอกจําปาและบัวเขียวสวยด้วยและกลิ่นหอมด้วยดอกจําปาบัวเขียว คือกลิ่นหอมย่อมแผ่ไปฟุ้งไปในสรีละของผู้ทัดทรงดอกไม้นั้นได้เราดอกไม้คือดอกจำปาจำปีอย่างเงี้ยมาทัดทิ่นหูเราที่อะไรร่างกายประดับร่างกายต้องจะยงสวยแล้วยังหอมออกไปอีกนะฉันใดก็ดีวาจาสุภาษิต์กา่าคือพระพุทธพจน์ปีดกสามก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก เพราะนำกลิ่นกลิ่นคือการฟังกลิ่นคือการจำทรงกลิ่นคือ